การภาวานาเป็นการมาเขี่ยมตัวเสี่ยใจของเพื่อถี่รักกับสิ่งที่มันบ่ได้ดังใจนะจะสิคิดว่าสิ่งต่างๆมันได้ดังใจเข้าทุกสิงทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันสาคดขึ้นมากการรังอันกเาขาบอกว่ามันแน่เาขาคือยังได้ก็ไดกยังสัน่นเขาคือลอยยังสัน่น จะแท้แล้วมันเป็นตามวิธีการของมันเป็นสื่อได้มันโมเมนเอาให้สมใจเท่ามันโมเมนเกิดถึงมากเพื่อจะให้คึอแจงใจเท่าคือเท่าอยากได้โมเมนจักอย่างเด้อให้เคียมโซโลตเทียมโต้ไว้จะไอ้มันเข้ากันได้แล้วผนียงมันเกิดขึ้นมากมันจะแม่นแบ่เหาบหมักหน่ะแน่เหาบหมักก็มนี่้าร์งเชื่อมันถี่แนวมากมือคือดอก พ่อมึงมันเป็นไปตามเดืองตามเหล้าคงมั่นเถอะถูกจริงถุกอย่างให้ทํานพ่อมั่นใจเลยเช่นกันมันเป็นไปตามเหตุตามผลตามเดืองตามเหล้าคงมั่นฮารังเชื่อมันมากคือกันมา่นส่งกันคื่อก็ผันเท่ามัก็เรียกว่าได้ดังใจได้ดังใจเลยกัมันบอมแรงมันได้ดังมั่นดังเหตุดังผลคงมั่นคือมันมั่นส่งกันก็คือ ส่งการกับเข้าอยากได้พอดีพอดีคือหรอกแต่ที่นี่เขาให้เตรียมใจไปโหลดย่าสีสะออนย่าสีนิ่มดีอยาของสีข่าอยู่กับแนวอันเข้ามากยาของข่ากับแนี้ยโค้งให้คิดว่าตัวจรงทุกอย่าง่ะมันจะเป็นไปตามเหตุตามข้อมันนั่นแหละมันถือ่ดอกมันบริเวณส่งการทำลายเดือดเดียนใช้บริเวณว่าจะให้คู่ได้มาผู่ไดนิยมส้มสอบรอกมันก็เป็นไปตามเหตตามผลของมันนั่นแหะ ตามวิธีการของมั่นนี่จะเข้าอยู่ละไปมกักไปสั้งเองเนี่ยที่หนีเกียมใจเกียมใจที่เจ้า ก, ก็โอ้ยมันหนักเป็นยังสั้นดอกธรรมดาของมันบ่เม็นคือยังเข้ามักบ่เป็นคือจังเข้สาสั้างดอกวันที่นั่นแหละการทักเกียมใจดีๆเขีมแข็งแล้วมันถูงได้ด้วยกานทักใจนั้นเกียมแข็งล้วเข้ายอมรับอาสภาพมันปเป็นยังสั้นให่เข้ากับบ่ดีบบ่ห่นบ่ยา บ่คุดบาดคุดปันบ่อคุดใจห้าบ่คุดหักคุดสั้งย่างล่ะอันนี้ยังที่แมว่าเป็นปกติเด้กของมันมันเป็นปกติอยู่แล้วมันเป็นไปยังสั่นตามธรรมดาธรรมดาขอมันมนเป็ียนไปยังสั่นปกติอยู่แล้วเท่ากัอยู่ให้มันเป็นปกติบนเออเจ้าก็เป็นไปพระเจ้าพอกุบอยู่พราะคอยซักบางสิทธ์อ่าันนี้ยังใจเลยสบายดอกยังมากกับบ่เดือบบ่ห่อนบ่ดี่งบ่ฮอนน้ำดอก ยังสันได้นครวนาเขามาครวนาเขาออกยังสันโมเมนต์บัคมคาวนาหรือที่ได้ดังใจกันภาวนาดีๆแล้วดีวิเศษพึ้นยังก็ดีได้โมเมนตยังสัตว์อกเขามาภาวนาเนี่ยตัวสิกยมใจเจ้าของให้มันย่อมรับให้มันย่อมให้มันรับให้มันตกลงกับสิ่งต่างๆจุดประปุษตื่นมากมันสิมันเป็นตาฮะมันก็เป็นธรรมดาของมัน มันจิเป็นจะสั่งมันจะเป็นธรรมดาของมันถึงดอกมีแต่หักแต่สร้างมันอยู่น้าใจทั้งนอยู่อยู่น้ามันมันบว่าหักบว่าสร้างแก้เลสเอาคขึ้นสี่ได้มันคึ้นเงสี่ได้รู้ๆมันกับสีลึงมันกับสีชำนั่นกันชำนั่นแล้วกันียังสวยขึ้นมากหรอมันตั้งอยู่ใดดอกมันบอดีบบ่อนลมบอดเจไปเข้าปัญญานันนั่นแหละแต่ว่าขวน่าเป็นที่แหลกเนสเอาาวาน่าโมคิด บอ่อหายใจมันเต้หาน้าอารมณ์สะตอนนิแลกอารมณ์ต่างๆเข้าคืดหากคุณคืดหายที่นี่ยยิงยั่งมากข้างหูเดี ย, ยินิ่งกัใจก็บร้อยใส่ําำลดดิ่งเดินไปน้ำลดลูบอันใดมาเขามาทั้งสาเหลียวเห็นยังกับใจก็บร้อยใส่น้ำกันอันนั้นเหลวกว่ามันบอ่อมันบอ่นบ อ, อยู่เขาคึดหายใจอยู่นมันยั่งมากระทบใจเข้าก็นิ่งอยู่นี่ซ้อมอยู่นี่ ไอ้ที่ล่ะมาตุสภาวนาให้มันย่อมรับกับอารมณ์ต่างๆให้มันปล่อยมันว่างอารมณ์ต่างๆยึด ใ, ใจกันที่นี่ํำลักคนเขา้าผมี่ํำลักทีแรกมากอั น, นิสสะพนเอาอา น, น, นุสสะพันดหูหาใจมี่สำลักอนิสสะพันหาใจนี่สำลังแล้วมันบอดีหม้อค้นไปรับอารมณ์นี่ยใจนั่นสี่สัมบายนะสัมบายถึงมาคานึงนแล้ ว, ลวนะ เ, น, วเ น, น, นี่ยเกิดใจแบบทิจแลนาสิ่งต่างเป็นอย่า ง, งาคุจรักแค่เป็นอยังกุจะสร้างแค่ น่หละับพิเชลนาเ้าเห็นว่าโอ้มันเป็นธรรมดาของมันตัวมันโมเมนต์เทสให้กูมักสร้างรอกกวนเกิดพันพึกนยังสี่แล้วเข้าใจยังซี่แล้วมันก็เสลามันก็ว่างรอกมันก็เอายันกรอกกันก็เอายันรอกโบกยันมันก็ยืมโฟมันเขาก็ยู่พฟเฮ้าเดี๋ยวนี้เมนเฮ้านืองเบโปกติมันมันปกติมดดูนี่จะเฮ้าโบปกติมาเกือกได้เยอใครเกิดเพมปกติ